รัฐบาลขอเชิญผสมนิกรชาวไทยร่วมชมนิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดําเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหายาตราทางชลมา่าเนื่องในพระราชพิธีบ ร, รมราชาพิเศษพุทธศักราช 2,562 ชมองค์ความรู้พระราชพิธีบ ร, รมราชาพิเศษผ่านจอ LED หองษ์สมุดอ e e ิเล็กทรอนิกส์อี o ุ๊ภาษาไทยอังกฤษและอักษรเบลสําหรับผู้พิการทางสายตาตรการตากับแสงสีเสียงและสื่อผสมสา ม, สา ม, มิ ต, ติเสมือนจริงโดยศิลปินนักสแสดงชื่อดังและขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมา่าด้วย เรือพระราชพิธีจำลอง52ลำประกอบการเห่เรือเฉลิมพระเกียรติและองค์ความรู้ขบวนพายุหายาตราทางชลมาจากอดีตสู่ปัจจุบันชมเรือพระที่นั่งจำลอง4ลำพร้อมสาธิตการเห่เรือขนและขอนอกและคอนในและการแสดงจากพระสงฆ์นิกรทุกภูมิภาคมาน้ำประกอบแสงสีเสียงและสุดยอดอาหารไทยเลิศรส25ตุลาคมถึง11พฤศจิกายน2562 10นาฬิกาถึง22นาฬิกาณบริเวณท้องสนามหลวงสอบถามเพิ่มเติม1765 เพื่อนเอ้ยรุ่นใหญ่อย่างพวกเราอาบน้ำร้อนมาหลาย10ปีอย่าไปยอมให้ใครมาหลอกง่ายๆพวกโฆษณาชวนเชื่อเนี่ยหน้าชื่นอกรมมานักต่อนะักเตือนใจไวัยเก่าต้องรู้เท่าทันสื่อหยุดสักนิดคิดให้ดีถามข้อมูลให้ค่วงถีแล้วตัดสินใจดีๆว่าควรทําตามหรือไม่สนับสนุนรุ่นใหญ่วัยเพชรไม่เสพสื่ออย่างส่งเสี่ยงโดยสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียมหาวิทยาลัยมหิดล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 สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเพื่อนเตือนภัยรายการที่รวบรวมเรื่องราวการเตือนภัยการใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทนำมาฝากกันนะคะเราเจอกันในทุกๆเช้าวันพระหัสสบดีในช่วงเวลานี้ทาง FM 89.5 วิทยุราชมงคลธั ญ, ญบุรีค่ะวันนี้อาทิตยาปกธทานางังรับหน้าที่ในการดำเนินรายการและมีเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจมาพูดคุยกันนะคะคุณผู้ฟังคะใน ถึง3วันที่ผ่านมามีเคสเคสหนึ่งเป็นกรณีที่เกิดขึ้นแล้วก็ทําให้หลายๆคนเองมีความตื่นตัวกันมากขึ้นในเรื่องของลิขสิทธิ์แน่นอนนะคะวิทย์ชันกาลังพูดถึงกรณีที่เด็กสาววัยเพียงแค่15ปีเท่านั้นมีการรับจ้างทํากระทงขายนะคะแต่ปรากฏว่าเป็นกระทงที่มีการใช้ภาพลิขสิทธิ์ของการ์ตูนชื่อดังเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องทําให้มีการร้องเรียนนะคะเรียกลิขสิทธิ์ เรียก ค่าเสียหายนะคะเป็นจํานวนถึง5 0,000 บาทซึ่งทางครอบครัวของน้องเองเนี่ยมีการเาจรจาแล้วก็จ่ายค่าปรับไปเป็นจำนวน 5,000 บาทนะคะล่าสุดเรื่องราวนี้ค่ะทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเองนะคะก็สั่งให้ยุติธรรมจังหวัดเร่งช่วยเหลือเด็กสาววัยเพียง15ปีเท่านั้นหลังถูกจับกลุ่มกระทงละเมิดลิขสิทธิ์เชื่อว่าไม่ใช่เพียงแค่รายเดียวนะคะก็มีการสั่งทุกจังหวัดเฝ้าระวังไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกค่ะ คุณสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้พูดถึงกรณีของเด็กสาววัยเพียงสิปีถูกตัวทันเลขาสิทธิ์ล่อซื้อจับกลุ่มสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์จากกรณีผลิษฐ์กระทงตัวการ์ตูนต้องจ่ายค่าปรับ 5,000 บาทว่าได้สั่งการให้ยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมาลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือเด็กคนดังกล่าวแล้วนะคะเบื้องต้นก็ทราบว่าทางบริษัทเจ้าของลิขสิทธิ์เองไม่เคยมอบอำนาจให้กับบุคคลใดๆจับลิขสิทธิ์ผิดกฎหมายค่ะดังนั้นการเรียกค่าปรับลิขสิทธิ์ ก็เข้าข่ายกันโชคซัพย์ที่เยาวชนและผู้ปกครองสามารถแจ้งเอาความผิดได้ทั้งนี้นะคะก็มั่นใจว่ากรณีนี้ไม่ได้มีเพียงรายเดียวนะคะหากมีเยาวชนใดที่ถูกคุมตัวลักษณะดังกล่าวนี้ให้นําเงินที่กองทุนยุติธรรมไปประกันตัวและสั่งการให้ยุติธรรมจังหวัดทุกจังหวัดเฝ้าระวังไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกนะคะในช่วงรอยกระทงด้วยแล้วก็ถ้าหากว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็ขอให้ไปช่วยเหลือเจ้าทุกให้เร็วที่สุดค่ะ ในเรื่องราวนี้นะคะก็มีหลายๆฝ่ายที่ออกมาพูดถึงแล้วก็แชร์ข้อมูลกันนะคะว่าสินค้าที่เรียกกันว่าเป็นการทำผิดพรบรในการละเมิดลิขสิทธิ์นะคะคุณผู้ฟังเป็นอย่างไรบ้างนะค ะ, ะแล้วก็มีเจ้าทุกหลายๆคนที่ออกมาแสดงความเห็นเหมือนกันว่าตัวเองก็เป็นเคสลักษณะคล้ายๆแบบนี้มีการขายสินค้าโดยความไม่รู้นะคะปรากฏว่าถูกร้องเรียนนะะเรียกเงิน จ่ายค่าปรับเนี่ยหลายหมื่นบาทด้วยกันนะคะก็มีการออกมาแชร์หลายรายเลยค่ะขณะที่อีกฝั่งหนึ่งนะคะมีผู้ชายคนหนึ่งซึ่งอ้างตัวว่าเป็นตัวแทนลิขสิทธิ์ตัวกระตูนนะคะออกมาชี้แจงบอกว่าไม่ได้จ้างเด็กทํากระทงแล้วล่อซื้อนะแต่เห็นว่าเด็กนั้นโพสต์ขายกระทงใน Facebook จึงแจ้งความแล้วก็ไปจับพร้อมตํารวจค่ะ เรื่องเหล่านี้นะคะคุณประจกรักษ์โพที่ผลอายุ56ปีอ้างตัวว่าเป็นผู้รับมอบอํานาจจากบริษัทพอยิงจำกัดและบริษัทซันเอ็กซ์จำกัดซึ่งเป็นเจ้าของลขิขสิทธิ์การ์ตูนโดยบอกว่ากรณีที่น้องคนนี้นะทํากระทงเนี่ยมีการโพสต์รูปภาพที่มีการละเมิดลขิขสิทธิ์ลงบน Facebook ตั้งแต่วันที่10ตุลาคมแล้วค่ะและมีคนสั่งซื้อก่อนที่ทีมงานจะมาเห็นก็เลยติดต่อไปในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนโดยทางบริษัทมีทีมงานที่คอยติดตามผู้ละเมิดลขิขสิทธิ์ในโซเชียลมีเดียอยู่แล้ว จึงได้เดินทางนะคะไปแจ้งความร้องทุกข์แล้วก็มีการติดต่อให้ส่งมอบกระทงในตัวเมืองจังหวัดนครราชสีมาค่ะซึ่งพบว่าเด็กสาวคนดังกล่าวเนี่ยถือถุงกระทงมาส่งให้เจ้าหน้าที่ตํารวจนะคะพร้อมตัวแทนลิขสิทธิ์ก็มีการแสดงตัวเข้าจับกลุ่มพร้อมของกลางค่ะโดยมีเจ้าหน้าที่ตํารวจอยู่ในเหตุการณ์ตลอดเวลาหลังจากนั้นนะคะทางญาติของน้องคนนี้เนี่ยก็มีการมาขอเจราจาซึ่งคุณประจักษ์เองก็ให้เจราจานะคะเนื่องจากเห็นว่าผู้ที่ถูกจับกลุ่มยังเป็นเยาวชนและขยันทำมาหากินแต่ ผิดก็คือผิดและสามารถถอนแจ้งความร้องถูกได้โดยที่พ่อแม่ของเด็กเสนอเป็นค่าละเมิดเลขสิทธิ์0 0 0บาท ในส่วนที่ถูกกล่าวหาว่าตัวแทนบริษัทเรียกเงินนะคะจำนวน5 0,000 บาทต้นแค่แจ้งให้ครอบครัวของเด็กสาวทราบเท่านั้นนะคะว่าตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์เนี่ยมีโทษปรับตั้งแต่ 50,000 บาทถึงส0 0 0สนบาทจําคุกตั้งแต่3เดือนถึง2ปีซึ่งก็ได้พยายามอธิบายเรื่องของกฎหมายให้ฟังแต่กลับถูกครอบครัวของเด็กสาวตีความในทางที่ผิดและเข้าใจคลาดเคลื่อนซึ่งแท้จริงแล้วนั้นไม่ใช่ตามที่มีข่าวออกมาค่ะคุณประจักษ์ยืนยันแบบนี้นะคะบอกว่าเจ้าหน้าที่ของบริษัทไม่ได้ล่อให้น้องทํากระท ไปตัวกระตูนดังแล้วมาล่อซื้อจับกลุ่มในภายหลังนะคะแต่น้องโยชนมีการโพส ร, รูปภาพกระทงที่มีการละเมิดอยู่ก่อนหน้านี้แล้วและ ประเด็นที่ถูกโจมตีนะคะว่านประชากรอาประชาชนเองเนี่ยฟังข่าวอยู่ข้างเดียวก็เลยทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยถูกโจมตีอย่างหนักถ้าพูดถึงบริษัทเนี่ยก็ได้รับความเสียหายเช่นกันนะคะเพราะทำซ้ำดัดแปลงโดยที่ไม่มีการซื้อลิขสิทธิ์แต่อยากให้สังคมเข้าใจนะคะว่าน้องทำผิดจริงและก็มีผู้ใหญ่มาเจรจาให้ถอนคำร้องทุกข์ซึ่งทางตนเองเนี่ยก็มีการถอนคาร้องทุกข์ให้ถือเป็นการให้โอกาสเด็กค่ะ หลังจากที่มีกระแสนีน้เกิดขึ้นมานะคะคุณประจักษ์บอกว่าทีมงานลิขสิทธิ์เนี่ยก็รู้สึกว่าเสียใจนะกับการทำงานและก็การปกป้องสิทธิ์ของผู้เสียหายนะคะถ้าหากไม่ปกป้องสิทธิ์เนี่ยผู้กระทหรือ ผ, ผู้ผลิตก็จะมีการ ทำผลงานออกไปนะแล้วเมื่อเลขสิทธิ์ก็จะส่งผลให้เดือดร้อนนะคะเพราะบริษัทนั้นเป็นผู้ลงทุนส่วนที่มีข่าวว่าทางบริษัทจะนําเงินคืนนะคะห้าพันบาทไปคืนน้องเนี่ยไม่เป็นความจริงนะคะถ้าหากนําเงินไปคืนก็เท่ากับว่าบริษัทเป็นผู้ทําผิดเสียเองค่ะในส่วนที่บริษัท ต, ตัวแทนเลขสิทธิ์ตัวกตูนนะคะออกมาชี้แจงก่อนหน้านี้ยืนยันนะคะว่าไม่ได้มอบหมายให้ใครทําการจับเลขสิทธิ์นั้นคุณประจักษ์ชี้แจงว่าตัวคุณประจักษ์เองเป็นตัวแทนดูแลเลขาสิทธิ์ของต่างประเทศไม่ เกี่ยวกับบริษัทต่งางๆและไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับตนเองเพราะดูแลในภาพรวมระดับที่ใหญ่กว่าและไม่เข้าใจว่าออกหนังสือชี้แจงเพื่อต้องการอะไรก็เป็นข้อมูลอีกฝั่งหนึ่งรู้ฟังซึ่งเขาก็ออกมาบอกว่าก็ไม่ได้มีการไปจ้างให้ทํานะแล้วก็ไปไปแจ้งจับไม่ใช่นะคะแต่ว่าเห็นว่าน้องโพสต์ก่อนอะเราก็ต้องมาติดตามกันยาวๆ ว, ว่าตกลงแล้วคดีนี้กรณีนี้ใครที่ เกิดขึ้นก่อนหลังกันแน่นะฮะแล้วก็เกิดจากอะไรแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าการขายสินค้าที่มีการใช้ภาพที่มีเลขสิทธิ์มาเกี่ยวเพื่อการค้าทำผิดจริงค่ะเพียงแต่ว่า ในเคสของน้องนั้นอาจจะเป็นเรื่องของการรู้เท่าไม่ถึงการก็เป็นไปได้นะคะต้องรอติดตามกันว่าเคสนี้จะจบลงเช่นไรและใครกันแน่ที่เป็นฝ่ายถูกนะคะพักสักครู่หนึ่งก่อนค่ะช่วงหน้านะคะจะมาติดตามกันมีเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับ ทปทค่ะมีการออกมาระบุถึงกรณีที่ธนาคารเนี่ยบังคับให้ลูกค้าเปิดเผยข้อมูลเพื่อโทรขายประกันทำได้หรือไม่นะคะแล้วผิดหรือไม่อย่างไรนะคะเดี๋ยวมาติดตามรับฟังกันเราไปถึงเรื่องราวของสองสาวเจ้าของคลินิกสัตว์นะคะร้องเรียนกองปราบรามค่ะให้ตามจับกลุ่มตัวหนุ่มสัตวแพทย์นะคะกำมหลอหลอกยักยอกทรัพย์นะคะรวมมูลค่าหลายล้านบาทนะคะหนีไป เป็นอย่างไรเดี๋ยวมาติดตามช่วงหน้าเพื่อนทันไพค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ร่วมกับมูลนิธิร่มฉัดขอเชิญนักเรียนนักศึกษาระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นมัธยมศึกษาตอนปลายและอุดมศึกษาสมัครเข้าร่วมการแข่งขันภาษา ญ, ญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฎครั้งที่สิประจําปี2562 จิงท้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพ rat ร, ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมเหรียญทองคำแท้ทุนการศึกษาสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีทงชัยธรรมทชโชพร้อมเกียรติบัตรกำหนดการแข่งขันและรับรางวัลในวันที่16พฤศจิกา ย, ยน2562ณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์พื้นที่ศาลายาจังหวัดนครปฐม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 สมัครแม่แล้ววันนี้ถึง13ธันวาคม2562สอบถามข้อมูลได้ที่ Facebook f a n p a g e g o s e Kiss Award หรือโทร026653777แล้วพบกันนะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กลับเข้ามากับเพื่อนเตินภัยนะคะในช่วงนี้ของรายการค่ะมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับกระแสวิาพากวิจาร์ในโลกออนไลน์นะคะมีผู้ใชท้ทวิตเตอร์รายหนึ่งเนี่ยเขาทวีตข้อความระบุบอกว่าไปเปิดบัญชีธนาคารแห่งหนึ่งให้กับลูกปรากฏว่าพนักงานค่ะก๋วฟังให้เซ็นเอกสารนะคะเพื่ อ, อ ทุกหน้าเลยนะคะไม่แจ้งรายละเอียดให้เซ็นไปจนเจ้า ต, ตัวต้องถามสุดท้ายพบว่าเป็นเอกสารเปิดเผยข้อมูลส่วนลูกค้าเพื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์เช่นไปขายประกันชีวิตหรือไปขายบัตรเครดิตนะคะขณะเดียวกันค่ะก็มีผู้ใช้ Twitter อีกรายหนึ่งระบุ บ, บอกว่าไปเปิดบัญชีเงินเดือนแต่ได้บอกพนักงานแจ้งว่าไม่ยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลแต่พนักงานกลับบอกว่าหากไม่เซ็นเอกสารดังกล่าวจะไม่สามารถเปิดบัญชีให้ได้ทําให้ต้องจําใจเซ็นเอกสารกัน ะะซึ่งประเด็นดังกล่าวนี้ค่ะทางด้านของไทยรัฐออนไลน์เนี่ยเขาก็มีการแชร์ข้อมูลนะไปสอบถามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือทอปทนะคะได้ข้อมูลว่าการเปิดบัญชีธนาคารสถาบันการเงินไม่มีสิทธิ์บังคับให้เซ็นเอกสารเปิดเผยข้อมูลให้บุคคลอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดได้ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่สกอสอ หนึ 1> 1่งทับสองเรื่องการบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรมท้งนี้นะคะมีการระบุชัดเจนว่าลูกค้ามีสิทธิ์เลือกยินยอมหรือไม่ก็ได้โดยไม่เกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ใดๆโดยธนาคารจะต้องแจ้งวัตถุประสงค์ของการขอความยินยอมให้ลูกค้าทราบอย่างชัดเจนและให้สิทธิลูกค้าเลือกเปิดเผยข้อมูลได้ด้วยตัวเองค่ะนอกจากนี้นะคะเอกสารขอความยินยอมนั้นก็ต้องมีการแยกออกมาจากเอกสารอื่นๆค่ะและก็ต้องมีข้อความแจ้งอย่างชัดเจนว่า ไม่มีผลต่อการพิจารณาการใช้ผลิตภัณฑ์ซึ่งหากธนาคารไม่ทําตามทบทอาจมีการพิจารณาชะลอหรือระ ง, งับบริการของธนาคารได้ค่ะทั้งนี้นะคะถ้าหากว่าใครนะคะไปเซ็นเปิดบัญชีไปเปิดบัญชีนะผู้ฟงังแล้วปรากฏว่ามีการบังคับให้คุณนั้นเซ็นเอกสารเพื่อยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อไปขายประกันได้กับคุณนะคะแจ้งเลยค่ะร้องเรียนได้นะคะที่ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน โทรสายด่วนสองหนึ่งามย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะโทรสายด่วนหนึ่งสองนสนะคะหรือหากต้องการยกเลิกการเปิดข้อมูลก็สามารถทำได้โดยสามารถแจ้งกับทางธนาคารต้นสังกัดที่คุณมีการเปิดบัญชีได้ทันทีค่ะระมัดระวังด้วยนะคะเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดว่ามีแพลนแบบนี้ขึ้นมานะะบอกว่าถ้าเกิดไม่เซ็นเนี่ยคุณจะไม่ได้ เปิดบั ญ, ญชีนะคะบอกไปเลยค่ะบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ไม่เปิดดีกว่านะคะเพราะว่าธนาคารในแต่ละสาขานั้นบริการก็ไม่เหมือนกันนะคะหูฟังก็ถ้าเปิดสาขานี้ไม่ได้เดี๋ยวเราไปเปิดสาขาอื่นกันก็ได้ค่ะอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะไปกันที่สองสาวเจ้าของคลินิกนะคะมีการไปร้องเรียนกองปราบปลามค่ะช่วยตามจับนะฮะศัตวแพทย์เก๊นะฮะกำมารอค่ะยักยอกทรัพย์นะคะทั้งเงินสดรถยนต์มูลค่ารวม ก, รกันหลายล้านบาทเพ่นนี้ค่ะ เรื่องราวนี้นะคะที่กองปราบปรามเมื่อวันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะคุณสริริลักษ์จุนเจิมอายุ15ปีค่ะเป็นเจ้าของคลินิกรักษาสัตว์แฮปปี้เวทแคร์พร้อมด้วยสัตวแพทย์หญิงทนิพัทนขจัดภัยอายุ31ปีนะคะเป็นเจ้าของคลินิกทนิพัทนสัตวแพทย์ก็เดินทางไปเข้าพบนะคะกับพันตำรวจโทหญิง บุญที่ว่าลิมสริลักษณ์นะคะเป็นสวสอบสวนกกหนึ่งบกปนะคะกองปราบปรามนั่นเองเรียกร้องให้ช่วยการติดตามคดีที่ถูกนายา ธ, ธีรวุฒิพันธ์วัฒนานะคะอายุ48ปีอยากยอกซับนะคะเป็นรถยนต์แล้วก็เงินมูลค่าหลายล้านบาทก่อนหน้านี้นะคะก็มีการเข้าแจ้งความเอาผิดกับนายธีรวุฒิเอาไว้ที่สนคันนายาวเมื่อวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาขณะนี้นะคะคดีก็ยังไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควรนะคะ ศัลยแพทย์หญิงธนิพัฒเนี่ยเล่าเหตุการณ์บอกว่าเมื่อปี2557เนี่ยมีการลงทุนเปิดกิจการคลินิกธนิพัสศัลแพทย์ขึ้นแล้วก็ได้ว่าจ้างให้นายเทราวุธซึ่งเป็นพี่ชายของเพื่อสนิท ต, ตนเองมาช่วยดูแลบัญชีรรับรายจ่ายของคลินิกรวมถึงคอยทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยตนเวลารักษา สัตนะคะกระทั่งเมื่อเปิดกิจการนะคะมาได้ถึงปี 2,561 ก็เริ่มเห็นความผิดปกติของบัญชีรรับรายจ่ายของคลินิกรวมถึงมีสิ่งของจำพวกยาวัคซีนรักษาสัตว์นะคะที่มีการสต๊อกเก็บเอาไว้เนี่ยหายไปแบบไม่ทราบสาเหตุค่ะก็เลยมีการทำการตรวจสอบจนพบว่านยายธีรวุธได้มีการแอบยักยอกของคลินิกออกไปใช้ส่วนตัวรวมถึงแอบขโมยวัคซีนไปขายต่อให้กับคนอื่นค่ะ สตวแพทย์หญิงธนิพัฒนนะคะบอกว่าเมื่อถูกจับได้เนี่ยนายธีรวุฒิไม่ยอมรับแสดงพฤติกรรมใช้ความรุนแรงทำร้ายร่างกายตัวเองก่อนจะขับรถยนต์นะคะยี่ห้อโตโยต้ารุ่นยาริสซึ่งเป็นของคลินิกหลบหนีไปค่ะตนก็มีการแจ้งความดำเนินคดีเอาไว้ที่สนคา น, นายาวก่อนจะมีการติดตามจับกลุมตัวในเวลาต่อมาทั้งนี้นะคะภายหลังถูกจับกลุ่มตัวเนี่ยนายธีรวุฒิก็ให้การปฏิเสธและขอรับการปล่อยตัวชั่วคราวอย่างก็ตามนะคะภายหลังได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวเพื่อสู้คดีนายธีรวุฒิก็ ไปสมัครงานตามคลินิกต่างๆและก็ก่อเหตุลักษณะเดียวกับคนอื่นๆซึ่งเฉพาะความเสียหายที่เกิดขึ้นกรณีของศัลแพทย์หญิงทนิพัฒนเองนะคะก็ถึง3ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะทั้งนั้นของนางสาวสิริรักษ์นะคะซึ่งเป็นผู้เสียหายอีกท่านหนึ่งนะคะก็บอกว่าภายหลังจากที่นายเทราวุ์ถูกไล่ออกจากคลินิก ก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะก็มาทําทีตีสนิทกับตัวเองแล้วก็ชักชวนให้ตัวเองเนี่ยนำเงินลงทุนเปิดคลินิกรักษาสาัตว์แฮปปี้เวทแขกขึ้นมาโดยอ้างว่านายธีรวุฒินะคะอ้างตัวว่าเป็นสัตวแพทย์มีใบอนุญาตและใบรับรองวิชาชีพสามารถดําเนินการบริหารกิจการให้ได้ด้วยความที่ตนเป็นคนรักสัตว์แล้วก็อยากมีคลินิกเป็นของตัวเองประกอบกับเคยเห็นว่านายธีรวุฒิเนี่ยทำงานอยู่ที่คลินิกอื่นมาก่อนนะคะก็เลยหลงเชื่อค่ะแล้วก็นําเงินมาลงทุนแต่พ อ, อเกิดปิกิจาการได้ประมาณ7เดือนนะคะ ก็มีเจ้าหน้าที่จากกรมสุขสัตษ์เข้ามาตรวจสอบที่คลินิกแล้วก็พบว่าไม่มีใบอนุญาตประกอบการค่ะนอกจากนี้นะคะกรมสุขศึกว์เองก็มีการตรวจสอบพบว่านายธีรวุฒินั้นไม่ได้เป็นสัตวแพทย์อย่างที่กล่าวอ้างนะคะจึงมีคำสั่ง คลินิกของคุณสิริรัก์ชั่วคราวเมื่อคลินิกถูกปิดค่ะก็มีการทํำการตรวจสอบบัญชีระรับรายจ่ายของคลินิกย้อนหลังนะคะทําให้ทราบความจริงว่าเงินของคลินิกนั้นถูกนายธิรวุฒิยักยอกไปกว่าล้านบาทนะคะก็เลยมีการติดต่อไปสอบถามข้อเท็จจริงกับนายธิรวุฒิจนเกิดปากเสียงกันขึ้นหลังจากนั้นนะคะไม่นานนายธิรวุฒิก็วกกลับมาที่คลินิกแล้วก็แอบนํารถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้ารุ่นรีโ vo ของคลินิกขับนี้ไปก็เลยมีการไปแจ้งความนะคะที่สนคันนายาวเมื่อวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะแต่จนถึงขณะนี้คดีก็ไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใดจึงตัดสินใจเข้ามาร้องทุกข์กับกองปราบเพื่อให้ช่วยติดตามความคืบหน้าเบื้องต้นนะคะพะนัก ง, งานสอบสวนเองทําการสอบปากคําเพื่อนําไปพิจารณาควบคู่กับพยานหลักฐานค่ะก็จะส่งต่อให้กับผู้บัญชาการาผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการต่อไปค่ะ ระมัดระวังกันด้วยนะคะเดี๋ยวนี้นะมิจฉาชีพมาในคราบต่างๆกันเยอะแยะมากมายเลยนะคะช่วงนี้ถ้าเกิดว่าใครที่ทํางานในด้านนี้ก็ระมัดระวังอาจจะมีมิจฉาชีพที่แอบอ้างตัวไปสมัครทํางานหรือว่าไปชวนลงทุนลงหุ้นเปิดคลินิกสัตวแพทย์ต่างๆค่ะพักสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้าจะมาติดตามนะคะมีกรณีที่เกิดขึ้นนะคะเป็นหญิงสาวท่านหนึ่งซึ่งเธอนั้นตั้งครันแต่เธอนั้น แทงลูกแล้วก็เล่าถึงเรื่องราวสาเหตุนะคะว่าไปรักษานะคะที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งเป็นโรงพยาบาลรัฐค่ะแต่ถูกฏิเสธการรักษาแล้วก็ให้ไปโรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมปรากฏว่าเธอไปพอไปปุ๊บเนี่นะคะไม่ทันการค่ะทําให้เกิดอาการแทงลูกนั่นเองนะคะเดี๋ยวมาติดตามรับฟังเรื่องราวนี้กันในช่วงหน้ารวมไปถึงเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะในต่างจังหวัดค่ะพนักงานปั๊มน้ํามันนะคะ อ, อ๋อเกิดอาการขวัญพวากลางดึกเลยนะคะหลังพบวัตถุต้องสงสยัยคล้ายระเบิดวางข้างตู้ ATM เนะคะเดี๋ยวมาฟังเรื่องราวนี้กันนะคะว่าตกลงแล้วเป็นระเบิดหรือไม่นะคะติดตามในช่วงหน้าค่ะ rmu tt f าร์ม h o อยินดีดต้อนรับค่ะ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 ติดต่อสอบถามหรือปรึกษาฟรีโทร02 592 1999ช่วงสุดท้ายในเพื่อนเตือนภัยนะคะเรื่องราวในช่วงนี้นะคะมีเคสที่เกิดขึ้นนะคะกับหญิงสาวท่านหนึ่งค่ะซึ่งเธอเล่านาทีชีวิตที่เธอนั้นแทงลูกหลังถูกโรงพยาบาลรัฐประเศตการรักษานะคะมีอาการปวดท้องรุนแรงก็ไล่ให้ไปโรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมแถมปล่อยให้เธอนั้นนั่งบนรถเข็นรอญาติมารับค่ะ เรื่องเหล่านี้นะคะเป็นเรื่องราวของคุณสิริการร่วมสำเพาอายุ22ปีนะคะซึ่งเธอนั้นเป็นหญิงสาวที่ตั้งคันนะคะเจ้าของ Facebook สิริการ ร่วมสัเผัโพสต์ภาพและก็ข้อความถูกโรพีาบาลรัฐแห่งหนึ่งในจังหวัด ส, สมุทรปราการไล่ไปรักษาอาการปวดท้องที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งซึ่งเป็นโรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมโดยถูกเข็นทิ้งไว้ข้างทางขึ้นโรงพยาบาลรอให้ญาติมารับจนต้องเสียลูกในครันค่ะคู่สิบการบอกว่าตัวเองตั้งครันได้4เดือนเมื่อช่วงเวลา7จ็นาฬินาทีของวันที่3พฤศจิกายนที่ผ่านมาเกิดอาการปวดท้องรุนแรงนะคะมีน้ําครา่าแล้วก็เลือดไหลออกจากช่องคลอดนะคะ สามีก็เลยรีบพาไปโรงพยาบาลของรัฐแห่งหนึ่งอยู่ใกล้บ้านเมื่อไปถึงค่ะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกลับถามว่าทำไมไม่ไปรักษาที่โรงพยาบาลที่มีสิทธิ์รักษาเพื่อที่จะได้ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายแล้วก็พยายามพูดย้ำว่าถ้าหากรักษาที่โรงพยาบาล น, นี้เนี่ยต้องจ่ายค่ารักษาเองนะแล้วก็ยังย้าอีกนะคะว่าจะย้ายโรงพยาบาลหรือไม่ ในใจคิดว่าอาการหนักเนี่ยมีเลือดไหลามากขนาดนี้เนี่ยโรงพยาบาลเนี่ยอาจจะมีรถพยาบาลนะคะส่งตัวไปยังโรงพยาบาลที่มีสิทธิ์รักษาก็ได้เพราะว่าระยะห่างกันเนี่ยสิกิโลเมตรนะคะซึ่งนี่แหละค่ะไม่ใช่ระยะที่ใกล้เลยนะสําหรับผู้ป่วยที่มีอาการหนักนะคะก็เลยรับปากว่าจะย้ายไปโรงพยาบาลที่มีสิทธิ์รักษาค่ะแล้วก็ได้โทราศัพท์ไปปรึกษากับแม่แล้วแม่เองก็ย้าว่าไหวหรือเปล่าซึ่งเธอเองบอกว่าก็ตอบแม่ไปว่าไม่ไหวก็ต้องไหว เพ ร, ราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยบอกให้ย้ายค่ะจากนั้นในเวลา9ก้านาฬกาก็โทรศัพท์ไปตามพี่สะายให้มาอยู่เป็นเพื่อนเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลก็พานั่งรถเข็นนะคะลงไปรอเรียกรถแท็กซี่ที่หน้าโรงพยาบาลจุดรับส่งผู้ป่วยค่ะพี่สะพายทนเหตุสภาพไม่ไหวก็เลยโวยวายขึ้นมาบอกว่าผู้ป่วยหนักขนาดนี้ไม่มีรถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหรอแต่กลับให้เรียกรถแท็กซี่ย้ายโรงพยาบาลเองซึ่งระหว่างทางที่นั่งรถแท็กซี่ไปถึงโรงพยาบาลที่มีสิทธิประกันสังคมนะคะก็ได้คลอดลูกออกมาแล้วก็ ลูกนะฮะก็เสียชีวิตนะคะในเวลา10นากาค่ะซึ่ง ตอนนี้เนี่ยก็เสียเลือดมากนะคะต้องมีการ่าตอนนั้นนะคะก็เสียเลือดมากมีการรับประจักเลือดนะคะล่าสุดอาการของคุณสลิกการเองก็ปลอดภัยแล้วนะคะส่วนเรื่องของลูกเนี่ยก็ทําใจเอาไว้แล้วเพราะว่าห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลรัฐเนี่ยแจ้งว่าถ้าจะยื้อชีวิตเนี่ยต้องให้ยาระงับคลอดซึ่งก็ยังมีความหวังค่ะแต่ติดใจเรื่องที่โรงพยาบาลละเลยคนไข้และทําไมต้องย้ายโรงพยาบาลเร่งด่วนขนาดนั้นทั้งที่ก็ยินดีจะจ่ายเงินอยู่แล้วนะคะเพราะตัวเองก็ห่วงชีวิตเหมือนกัน ก็อยากมีการเตือนประชาชนนะคะ mm. คผู้ฟังเองในการเลือกโรงพยาบาลนะคะ mm. ก็ต้องมีการศึกษาขั้นตอนการเข้ารักษาเพราะแม้กุณศิธป์การบอกว่าแม้ตัวเองจะป่วยฉุกเฉินเนี่ยก็ยังถูกละเลยเพียงเพราะว่าสาเหตุไม่ใช่คนไข้ที่มีสิทธิ์ในการรักษาที่โรงพยาบาลนี้เท่านั้นค่ะ เดี๋ยวรอติดตามกันนะคะว่าในเคสนี้จะเป็นอย่างไรนะคะจะมีผู้ที่ออกมาชี้แจงประเด็นนี้หรือว่ามีฝ่ายไหนที่จะม า, ารับผิดชอบตรงนี้หรือไม่นะคะทิ้งท้ายกันค่ะที่เรื่องราวเกิดขึ้นที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะพนักงานปั๊มน้ํามันขวัญกระเจิงกลางดึกค่ะหลังพลเมืองดีพบวัตถุต้องสงสยัยคล้ายระเบิดวางด้านข้างตู้ ATM ภายในปั๊มเรื่องราวนถึงขนาดที่ว่าปลัดจังหวัดอุบลราชธานีนะคะลงพื้นที่ตรวจสอบด้วยตัวเองค่ะ เรื่องราวนี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงกลางดึกนะคะของวันที่5พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะซึ่งมีการรับแจ้งว่ามีพลเมืองดีพบวัตถุต้องสงสัยคล้ายระเบิดวางอยู่ข้างตู้เ t m ธนาคารกรุงไทยภายในปั๊มน้ำมันปตทสาขาบ้านด้านพระตมลขามใหญ่อําเภอเมืองอุบลราชธานีก็มีการไปตรวจสอบนะคะพร้อมกับ ปลัดจังหวัดวนชธานีนะคะคุณเกลิกชัยผ่องแพ้่ทีซาเรื่องแล้วก็รีบมาร่วมในที่เกิดเหตุมาตรวจสอบกันด้วยนะคะหน้าตัวเทมดังกล่าวค่ะเป็นวัตถุทรงกระบอกหอ่อด้วยผ้าคลุมลายพรางทหารนะคะมีกระดาษเขียนข้อความว่าจองตู้กด ฉลากวั้นที่6พฤศจิกายนพร้อมกับมีกระดาษเขียนหมายเลขโทรศัพท์ติดไว้ด้านข้างแต่เพื่อความปลอดภัยนะคะเจ้าหน้าที่ก็มีการประสานให้กับเจ้าหน้าที่ EOD ตำรวจภูธรจังหวัดบริรธานีนะคะเข้าพิสูจน์ว่าภายในหอดังกล่าวเนี่ยเป็นวัตรถุระเบิดจริงหรือไม่นะคะเพื่อความไม่ประมาทค่ะก็มีเจ้าหน้าที่นะคะนำกรวยแล้วก็ถังขยะมาวางล้อมนะคะป้องการสะเก็ดระเบิดวัตถุเอาไว้ก่อนค่ะซึ่งปลัดจังหวัดบริ ต, รตรทานีเองนะคะคุณเกลิกชัยผ่องแพร่ก็เข้าร่วมดูเหตุการณ์ด้วย แล้วก็มีการคาดการว่าเอ๊ะไม่น่าจะเป็นวัตถุระเบิดนะก็เลยได้โทรไปรยังหมายเลขที่เขียนไว้ด้านข้างนะคะผู้รับสายค่ะคือคุณชนนทิดาเจริญพร อ, อายุ52ปีพักอยู่ที่บ้านเลขที่30บ้านห้วยหมากตาบลห้วยไผ่อําเภอโคองเจียมจังหวัดบราชธานีนะคะคุณชนันทิดาเองให้ข้อมูลนะคะบอกว่า วัตถุต้องสงสัยดังกล่าวเนี่เป็นเปลนอนเธอนําไปวางไว้ค่ะแสดงสัญลักษณ์เอาไว้ว่าจองติอจองคิวตู้เอทีเนี้นะเพื่อกดจองสลากกินแบบรัฐบาลงวดประจำวันที่16พฤศจิกายนระหว่างวันที่6กถึงเพฤศจิกายนก็จะไปกางเต็นท์นอนหลังรถห่างจากตู้ ATM ประมาณ50เมตรนะคะคุณเกล็กชัยก็เลยมีการเชิญคุณชนันทิดา ม, มาแสดงตัวเพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายค่ะพร้อมกับแนะนําให้เปลี่ยนวิธีการใช้วัตถุมาวางนะคะเป็นการเขียนกระดาษติดไว้ที่ตู้ ATM แทนเพื่อ ไม่ให้เกิดความตื่นตนกของผู้ที่มาพบเห็นอีกนะคะ คุณชนธิดาเองอธิบายอย่างนี้ค่ะผมฟังบอกว่าตัวเองในเดินทางมาจากอำเภอโคงเจียมมาจองคิวในการกดสั่งสลากกินแบรัฐบาลตั้งแต่ช่วงวันที่5พฤศจิกายนนะคะแต่จะให้นั่งหน้าตู้กดเงินทั้งวันก็คงไม่ไหวค่ะก็เลยนําเอาผ้าเต็นทน์มาวางไว้เป็นสนัญลักษณ์ว่าตนนั้นจองคิวแรกเอาไว้แล้วแต่ถึงจะเป็นคิวแรกนะคะแต่ก็ไม่ได้สิทธิ์ในการซื้อตลอดไปด้วยสาเหตุที่ต้องนั่งจองนี้ก็เพราะว่าจะได้สลากราคาต้นทุนต่ำกว่า80บาทถ้าไม่ทันก็ต้องไปซื้อกับนายทุนทําให้สลากมีราคาขึ้นกว่า ซื้อจากกองสลักโดยตรงพร้อมกันนี้นะคะคุณชนันทิดาเองก็มีการอขอโทษนะคะเจ้าหน้าที่ด้วยที่ทำให้เกิดความวัดวันอันตรายกันนะคะก็เป็นความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าลักษณะในมองภายนอกก็เหมือนการวัตถุระเบิดจริงๆค่ะ นี่แหะค่ะก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะคะที่นํามาคุยกันในรายการเพื่อนเตือนภัยนะคะคุณผู้ฟังสามารถรับฟังรายการเพื่อนตือนภัยได้ใหม่นะคะในทุกๆวันพระอาทบดีช่งวงเวลาสีน่นากาสนาทีถึง5้านากาทาง FM89.5 วิทยุราชมงคลธัญบุรีนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังสามารถที่จะเข้าไปพูดคุยกับเราได้ทางแฟนเพจ a c e b o o k วิทยุราชมงคลธัญบุร um ีด้วยที่นั้นก็จะมีการอัปเดตข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจกันด้วยค่ะวันนี้ดิฉันอาทิตยาปักทานางและทีมงานลากไปก่อนขอบคุณสําาาหรรรััับบกตติดมฟ่ำ